น, นี้กลุ่มศิลปะภ พ, พอนาะเยียวยาใจก็ถึงเวลาต้องเดินทางกลับบ้านวันนี้อาตมาก็จะเล่าเรื่องสบายๆให้ฟังหลังจากที่พูดเรื่องห น, นักมาสองวันแล้ววันนี้ไม่มีเรื่องดราม่ามีแต่เรื่องธรรมะสบายๆไม่รู้พวกโย ม, มรู้จักหลวงปู่โตไหมหรือสมเด็จพระจารย์โตผมะะรังสีวัลคังส่วนใหญ่น่าจะรู้จักนะท่านเป็นคนที่มีอาล้มขันแล้วก็มีการสอนธรรมะที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน อยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ท่านยังไม่เป็นสมเด็จตอนนั้นท่านจะเป็นเป็นเจ้าคุณพระธรรมมกิติองค์ในหลวงรัชกาลที่4ตั้งให้ท่านเป็นเจ้าวาดวะละัลลคังเนี่ยตอนที่ออกจากประลมมหาราช ว, วังเนี่ยก็รับเครื่องไถ่ทานพวกพัดยศแล้วก็เดินทางไปวัละคังเพื่อเป็นเจ้าวาดหรือเป็นสมภารที่นั่นก็มีคนแห่กันมาขอถือของถืออะไรเงี้ยสมเป็จโตท่านก็ไม่ให้ถือท่านก็ถือท่านเอง ไอ้ข่าวลือนี้ไปถึงวัดรักทงพวกพระเนี่ยออกมาต้อนรับแหละคิดคิดว่าเดี๋ยวสมภารคนใหม่มาก็ต้องจัดพธิธีอย่างยิ่งใหญ่อะแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเพราะสมเปตโตเนี่ยนั่งเรือข้ามฟางมาคนเดียวถือของมาเองใครไปถึงก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยให้มาให้ฉันว่าเป็นสมภารที่นี่จ้าแล้วก็เดินรอบวัดรักทงเนี่ยขั้พระพวกโยมก็เดินเดินด้วย พอเดินเสร็จก็เข้ากุฎปิดประตูอันนี้ก็สร้างความแปลกใจกให้กับพระเนนโยมที่อยู่ในวัดการปิดประตูท่านก็นคือวันนั้นน่ยคือท่านมไม่รับแขกไม่ยินดีดนลาศักกะระยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าเปิดประตูคนก็จะต้องมามาแสดงความยินดีมากราบทุกที่เน่ยเจ้าว่าจะมีประชุมไงสมภารคนใหม่อะ่ะประชุมกฎกติการเบียบต่างๆสมเด็จโตวันนั้นไม่ทําเลยไม่มีการประชุมปิดประตูอยู่คนเดียว ก็แสดงทำมาให้คนในวัดเห็นเขาไม่เป็นทางใจแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปกิดนิมนต์กิหนิมนตคงใหญ่พอสมควรนะที่ว่าท่านต่อพระยศไปด้วยเผื่อช่วงนั้นเน่ยเป็นช่วงที่น้ำลดเนี่ยสารที่จะไปเนี่ยท่านเอาเรือสำปั่นไปมีเนนสองรูปภายหัวภายท้ายทางที่ไปบ้านกิดนิมนเรือก็ไปไม่ถึงนะเพราะว่าติดโคน สมเด็จโตท่านก็ถลกจีบรแล้วลงมาช่วยเข็นชาวบ้านแถวนั้นเห็นก็ตะโกนสมเด็จเข็นเรือโว้ยเข็นเรือโว้ยตะโกนลั่นเลยหมดสมเด็จโตท่านก็บอกว่าฉันไม่ใช่สมเด็จหรอกจ้าแล้วก็ชี้ไปที่พัยดยศที่อยู่บนเรือนู่นอะสมเด็จอยู่นู่นฉันคือขัวโตจ้าชาวบ้านแถวนั้นก็ขบขันกันแล้วก็ลงมาช่วยสมเด็จเข็นเรืออันนี้ก็ท่านก็ไม้ติกับหัวโขนะคือถ้าจะเจ้าเรือเองบ่อยบางครั้ง ไปกินินมนแล้วบางครั้งคนพายเรือทะเลาะ ก, กันเนี่ยท่านก็มาพายเรือเองท่านทํางานเองแบบไม่ถือเรือถือตัวว่าเป็นสมเด็จและเป็นสมภารท่านมีการปล่อยวางบางทีก็มีอุบายสอนธทำลูกศิษย์หลายเรื่องที่คาดไม่ถึงอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนนําแกงร้อนวุ้นเส้นมาถวายคงมากพอสมควรแล้วแหละสมเ็ยโตท่านก็ที่ตุบายขึ้นมาได้ว่าท่านถามอะไรพระในวัดเนี่ย มักจะถูกประจบแบบเช่นว่าดีแล้วชอบแล้วถูกต้องแล้วทุกเรื่องเลยไม่มีใครขัดใจเท่าเลยก็คือประจบอะสมตยโตก็นึกถือกุบายว่าจะใช้วุ้นเส้นนี่แหละสอนธรรมะพวกพระพวกเนในวัดจึงสั่งให้เนเนี่ยไปหาผักบุ้งมาที่อยู่ในคลองอะพอได้ผักบุ้งมาแล้วก็นำวุ้นเส้นเนี่ยมาใส่กระทะใบบัวแล้วก็นามาต้มแล้วก็นาอาหารที่ที่เหลือจากฉันเช้าอะเอามาใส่แกงหุ้นเส้นของ สมเด็จโตก็ตอนนี้ก็ไม่น่ารับประทานเลยแหละแล้วท่านก็ให้เนรเป็นประกาศบอกว่าเพจนี้ให้พระและเนรทุกรูปเนี่ยมานําอาหารไปไปทานกันนะสมเด็จทําเองกับมือคันถึงเวลาพระเนรในวัดก็ทยอยกันนําแกงร้อยของท่านเนี่ยไปทานกันเหตุการณ์ก็ผ่านมาถึงตอนเย็นที่โบสถ์ท่านก็ไปดักอยู่หน้าโบสถ์เลยเพราะพระเนรต้องมาทําวัดไงทำวัดเย็นแล้วก็ถาม แกงวุ้ยเซ่ของฉันเป็นยังไงบ้างพระก็ตอบว่าก็อร่อยดีครับถามใครๆหลายรูปก็ตอบว่าอร่อยดีทุกคนเลยจนมาถึงหลวงตากแกๆ่ๆที่บวชมานานเนี่ยสมเด็จโตท่านก็นถามอะ่ะขัวตาแกงร้อนฉันเป็นยังไงบ้างรสชาติขัวตาท่านก็บอกพระเดชพระคุณท่านผมมาเทให้หมาหมามันยังไม่กินเลยสมเด็จโตก็พดมือบอกขัวตาผู้ถูกแล้วแล้ววันนั้นเนี่ย หลังจากทําวัดเสร็จสเปโตก็พูดธรรมสอนพระเนนและขั ว, ขวาตาเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าอย่ากโก6กางรัการพู้ความจริงเนี่ยกับดีกว่าบา ป, ประจบคนที่คนที่มีอํานาจโดยโก6กเนี่ยบางครั้งก็เป็นการมุษาผิดศีลคือไม่จริงใจไนงะนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ท่านสอนแล้วก็มาเรื่องของคนอื่นบ้างท่านก็ขยายเรื่องปัญหาคนอื่นได้มีพระอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าพระเทศ เบอร์เอิญพารูปนี้ไปมีเรื่องขัดใจกับพระครูดมชานเจ้าวาดวัชนสงครามจนทำให้แบบร้อนใจมากเลยตอนนั้นพระเหลืองร้อนอยู่ใบก็มีความสุขไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่สามารถดับร้อนพระเหลืองได้พอได้ยินเสียงเล่าลือว่าสมเด็จโตเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่โยมที่เดืดร้อนได้ก็นั่งเหลือข้ามฟากไปวัละคังเลยไปถึงเขากาบแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยภูธรมะ ให้สบายใจหน่อยแต่ตัวพระเทศที่ก็ไม่เคยเจอสมเด็จโตมาก่อนนะไม่รู้จักกันหรอกสมเด็จโตท่านก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอยากสบายก็ทําตัวอย่างหมาสิจ้าประเทศงงอึ้งไปอยู่ภาคหนึ่งสมเด็จโตก็พูดต่อว่าท่านเนี่ยไปมีเรื่องกับพระครู ด, ดมชาญมาใช่ไหมพระเทศอึ้งเลยนะเพราะว่ายัางไม่ได้เล่าอะไรฟังเลยก็บอกใช่ครับสมเด็จก็อธิบายต่อว่าเวลาหมาเนี่ย มันกัดกันเนี่ยไอตัวที่ชนะมันก็ยืนมันก็ยืนค้อมนะไอตัวที่แพ้ก็นอนไหยทองการกัดก็ยุติไอตัวที่ชนะก็ไม่กัดต่อนั่นแหละทำถ้าอยากสบายก็ทําตัวอย่างหมาพระเทศขึกถึงเข้าใจไงแล้วความทุกข์ร้อนในใจก็หายปิดทิ้งหลังจากกลับวัชชสงครามก็ยอมอ่อนข้อให้เจ้าวาดไม่ไปทะเลาะแล้วก็อยู่กันอย่างสันติสุขไม่ขัดแย้งเรื่องสหเวตโตก็มีหลายเรื่องเราจมาเล่าแค่3มเรื่องก็พอ ไปที่อาจารย์ฮากุอินบ้างอาจารย์ฮากุอินเนี่ยเป็นพาร์เซนชื่อดังของญี่ปุ่นเป็นที่นับถือของคนทั่วไปนะวันหนึ่งก็มีสบุลายคนหนึ่งนะชื่อว่าโนบุชิเกะเดินทางมาหาท่านเพราะว่าสงสัยว่านรกสวรรค์มีจริงไหมมาถึงก็ถามเลยถามอาจารย์ฮากุอินว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ท่านอาจารย์ฮากุอินก็บ้องหน้าคนมาถามบองหน้าแบบยอะเย้ยนะ แล้วก็ถามว่าทำอะไรก็บอกเป็นซาบุไรทีเรื่องไม่จบแค่นั้นอาจารย์ฮาอิินก็ทำทำหน้าแบบเจ้านายของแกแต่คงตาถั่วจาา้างแกไปซาบุไรได้ยไงไม่มีราศีเลยดูขี้โรคดูชีเกลเริ่มโกรธแล้วทำท่าจับดาบอาจารย์ฮาวิลินก็เอา้ามีพกดาบมาด้วยเหรอดาบของแกเนี่ยก็คงจะขี้สนิมขึ้นทื่อไม่สามารถฟันคอคาขาดได้หรอก แล้วก็หัวล้อย่อเยอเยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นเนี่ยอารมณ์ที่ถักถางอ่ะนูพุชิเกะก็ชักดาบออกจากฝากักอาจารย์เฮาอินก็พูดด้วยสีหน้าที่ราบเรียบสงบประตูดรกเปิดแล้วพอเขาว่าประตูดรกเปิดแล้วเนี่ยสบุรไลได้คิดเลยก็นําดาบเนี๋ยวเก็บเข้าฝากักแล้วก็ก้มกราบอาจารย์เฮาอินด้วยควาอ่อนน้อมอาจารย์ก็พูดว่าประตูสวรรค์เปิดแล้ว เรื่องนี้ก็จบสรุปแล้วนรกสวรรค์ น, นี่ยอยู่ที่ใจของเราเองแหละกุศลแลนะอกุศลเราคิดดีก็เป็นสวรรค์คิดชั่วบีบเบียคนอื่นขณะนันเราก็ตกนรกแล้วนรกในปัจจุบันนะไอ้นรกหลังตายแล้วนี่อีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นการสอนธามแบบเซนไงแต่อาจารย์ก็เสี่ยงนะถ้าเกิดไปเจอคนที่ชักดาบเร็วอะ่ะหรือไม่ฟังเหตุผลอ า, อาจจะตายก็ได้หรือเจ็บตัวก็ได้แล้วเรื่องขอใจเฮาอินยังมีอีกหลายเรื่อง เรื่องที่โคนโจทจันมากสุดก็คือเรื่องที่มีคนกล่าวหาท่านแหละใกล้ๆวัดของอาจารย์ฮาอินนะ้มพีพ่อแม่ที่มีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งอเผอินลูกสาวบ้านเนี้ยตั้งท้องไปท้องก็หนุ่มแถวๆนั้นแหละแล้วพ่อแม่ก็บีบคั้นดุ ด, ดา่าหรือทุบตีแหละให้สารภาพเาว่าใครเป็นพ่อของเด็กลูกสาวเนี่ยถูกบีบคั้นมากๆเนี่ยไม่รู้จะทํำไงจึงตอบว่า อาจารย์ฮาคุอินเนี่ยเป็นพ่อของเด็กพ่อแม่หญิงสาวโกรธมากเลยตอนนั้นมาถึงก็ดุด่าอาจารย์ฮาคอินใหญ่เลยอาจารย์ฮาคอินก็ฟังแบบเฉยๆหลังจากด่าจนจบแล้วเขาก็บอกอย่างนั้นหรือคั้นผ่านไปหญิงสาวคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายน่ารักพ่อแม่พ่อแม่หญิงสาวเนี่ยก็นําหลานนี่แหละเอามาให้อาจารย์ฮากุอินเลี้ยง แต่ตอนนี้ชื่อเสียของอาจารย์เฮาอินปนพี้หมดแล้วแหละคนก็บอกกล่าวกันไปดินทางกันไปว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มือถือสากปากถือศีลไม่น่าเคารพไม่น่ากลับไหวอาจารย์เฮาอิน e ก็ไม่ว่าอะไรนะท่านก็รับเลี้ยงเด็กโดยนําหาโนมมาเลี้ยงอย่างดีเลยแหละจนเวลาผ่านไปประมาณอีกปีหนึ่งแม่ของเด็กเนี่ยก็เกิดความร้อนใจเพราะว่าได้ใส่ใส่ล้ายป้ายสีผู้บริสุทธิ์ไงจึงสะะารภาพผิด กับพ่อแม่ตัวเองว่าพ่อของเด็กจริงๆแล้วก็คือไอ้หนุ่มหาปลาที่อยู่แถวนั้นแหละไม่ใช่อาจารย์ทวีอินหอกพ่อแม่หญิงสาวแทบช็อกเลยนะเพราะว่าตอนเนี่ว่าด่าผู้บริสุทธิ์ไงรีบไปที่วัดไปขอโทษขอโพยอาจารย์ทวอินจยืดยาวเลยอาจารย์ทวอินก็บอกอย่างนั้นเองหเลยพูดแค่สามสี่คำเองสั้นๆแล้วก็รับเด็กกลับไปถ้านไม่ได้เดือดร้อนกับคํากล่าวหาแล้วไม่ได้ไปเสเศษ แต่ทำอย่างนี้คงยากนะถ้าเป็นคนอื่นนี่ก็โหปานนี้ก็ไปแก้ข่าวอะไรวุ่นวายหมดละอาจารย์หาวิทัศนฝึกถึงขั้นไงถึงขั้นจิตไม่วั่นไหวกับโลกธรรมแล้วเสียชื่อด้วยนะชื่อเสียงนี่ป่นปี้พอรู้ว่าท่านบริสุทธิ์ชื่อเสีย ง, งก็กลับมาเหมือนเดิมดังกว่าเก่าด้วยครูบาอาจารย์หลายท่านก็มีปัญหาถูกใส่ร้ายป้ายสีก็มีอย่างสมัยก่อนเนี่ยครูบาศรีวิชัยก็โดนเก่าวหานะหรือครูบาอาจารย์ดังคนอื่นๆก็โดนเก่าหาหลายคน พอเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์เนี่ยคนก็นกลับนับถือมากกว่าเก่าอันนี้คือโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีเสเสริ่มีสะสะสะมนิทาโลกธรรมเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้หรอกเดี๋ยววันนี้คนชมเราพรุ่งนี้คนก็ด่าเราเราอาจจะช่วงนี้รวยภายไม่ได้จนก็ได้สังเกตได้ส่วนมากคนที่โชนเราก็ไม่กระดาเราบักกระดาเราทีหลังกันแหละโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ อันนี้เป็นเรื่องจริงมากเลยตัวอะมาเนี่ยสิกบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเกาศึกษาค้นฟ้าเรื่องตัวนี้อยู่ไม่มีใครดิดพลาเรื่องเรื่องเหล่านี้เลยเจอทุกคนแหละต่อให้ดีขนาดไหนคนไม่ชอบมันก็ดา่าต่อให้ชั่วขนาดไหนไอ้คนที่ชอบมันก็ช ม, มคือเคมีตรงกันก็คือคนดีแหละเราต้องเป็นตัวตัวเองกลายเป็นตัวตัวเองดีที่สุดเราทําดีก็คือดีเราทําชั่วเราก็รู้อยู่ถึงคนอื่นเข้ามาชมว่าเราเนี่ย ทำดีมันก็ไม่ใช่อ่ะเรารู้อยู่ในใจเราไม่ดีอย่างไปงานศพเนี่ยเราสังเกตนะจะมีคนชมคนตายเนี่ยมากมายเลยไอตอนที่ดีๆยังไม่ตายไม่ชมนะไปชมตอนตายแต่บางเรื่องก็ไม่จริงหรอกบางทีเจ้าภาพก็พูดให้เจ้าภาพสบายใจไงแต่บางคนที่เขากินเหล้าเมายาหรือทําตัวไม่ดีเนี่ยก็จะไม่มีใครกล้าอ่านเพรบางทีชมไปแล้วกระดากใจนั่นเรื่องที่คนอื่นกล่าวมันจึงมีจริงบ้างไม่จริงบ้าง บางทีก็เชื่อถือไม่ได้หมดสิ่งสมมุติต่างๆในโลกนี้สมมุติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยบางทีเราเจอเจอคนที่อายุน้อยกว่าเราก็เป็นพี่ไปเจอคนอายุมากกว่าเราก็เป็นน้องอย่างตัวระบาสเนี่ยตอนนี้คนก็เรียกวันหนึ่งก็ไม่เหมือนกันแล้วเราไปเจอเจอพารุ่นน้องเราก็เป็นหลวงพี่เจอเด็กเราก็เป็นหลวงพ่อ เจอบางคนเราก็ไปอาจารย์เปลี่ยนบพบภูณตลอดเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยเราก็ต้องกลมกลืนกันไปอย่างบางคนทำงานทั้งโลกเนี่ยมียศมีตำแหน่งเนี่ยเหมือนส่วนหัวโขนละว่างไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันจะหนักตลอดเวลาเลยอย่างมีผู้ว่าบางคนเนี่ยที่อาจารย์เป็นสารเคยเล่าเนี่ยหลังจา ก, กเกษียณแล้วนะคนก็ไม่มาเคารพเหมือนเดิมนั่นแหละอย่างไปงานงานเลี้ยงเจ้าวาคนใหม่นะคนก็ไป ไม่ให้เจ้าวาดผู้ว่าผู้ว่าคนใหม่นะครัพูดไปประมามืนคนก็ไปห้อมล้อมเอาของไม่ให้ไปไประจบผู้ว่าคนใหม่ไอ้ผู้ว่าคนเก่าเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจเลยแหละเพราะหมดอํานาจแล้วไม่มีผลประโยชน์ให้ใครแล้วตอนนี้แกก็เสียใจนึกถึงอดีตที่เคยรุ่งโรจน์จนตอมใจแล้วตายไปที่สุดอันนี้คือคนที่วางหัวโขนไม่ได้ขึ้นหลังเสือบางทีก็ต้องถึงเวลาก็ต้องลงบางคนจะติดล่าสาักาุละนะตลอดชีวิตเนี่ย พูดถึงพระนะออกไม่ได้นะเพราะว่าอันมาเห็นมาหลายคนแล้วจนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยการที่เรายึดติดลักษณะชื่อเสียอํานาจเนี่ยเหมือนนั่งบนหลังเสือถ้าลงมาเสื อ, อกัดถ้าลงได้และสบายชีวิตจะเป็นอิสระทีเลยเพราะถ้าเราเป็นเข็บผิดต้นเนี่ยเราก็ต้องทําตามกิเลสเป้าหมายชีวิตคนเราจะไม่เหมือนกันบางคนบวชมาก็เพื่อหาทางพ้นทุกข์แต่บางคนจิตใจอ่อนแอบวชมาก็เห็นว่าเอ้ย ปฏิบัติทําไปก็ไม่เกิดสภาวะธรรมอยู่ไปก็ไม่รู้จะ ท, ทาไงเลยมุ่งหาเงินแทนหรือดิ้นรนหาชื่อเสียงพอหาไปหามาที่จิตมันชอบอะ่ะพอภาษามากขึ้นอายุมากขึ้นก็ยึดติดสิ่งนั้นแหละตอนหลังก็การภาวนาก็ไม่มีแล้วแหละตอนแรกจิตมันก็หลอกเอ้ยเดี๋ยวแก่แล้วค่อยภาวนาก็ได้แก่แล้วค่อยฝึกจิตก็ได้อันนี้เป็นความคิดที่ประมาทเพราะคนเราเนี่ยความตายเนี่ย มันไม่บอกนะว่าเราต้องตายตอนแก่อธมาเห็นคนที่อายุน้อยกว่าตายไปหลายคนแล้วความตายไม่มีอายุเด็กตายได้ลุ่มสาวตายได้แก่ก็ตายได้ถ้าตายตามอายุนีม่มีปัญหาเลยแต่เพลินคว์มตายไม่ได้ตายตามอายุไนงะแล้วแต่เหตุและปัจจัยของบคนนั้นคนเราถือข้าวซวยอยู่ๆบางครั้งอธมาเคยดูวิดีโอคลิปนะ เครื่องบินมันหล่นมาใส่นะโยมคืองบินคอปเตอร์บางทีไม่น่าไม่น่าจะไปไปได้มันอยู่บนฟ้าหลบแล้วก็ยังหนีไม่พ้นเลยมันก็ทับสะแบนเลยคนราถึงข่าวตายหรือไม่อยู่ดีล้อรถเนี่ยมันหลุดเข้ามาเนี่ยล้อรถวิ่งมาชนข้างหลังเนี่ยสลบเลยคนเราถึงข่าวนะมันจะเหตุการณ์พอดีเหมาะเจาะทั้งที่ถนนอะไรกว้างหมดอะ่ะไอ้ที่ยืนมันก็ไม่ได้เกะกะอะไรใครบางคนไม่ได้อยู่บนถนนนะอยู่นอกถนนเ่ะไปยืนยืนพิงกับรถใช่ไหม รถที่ไปนชนกันมันก็ไปชนไอ้รถคันที่จอดอดีกว่ารถจะชนไอ้คนที่ยืนพิงกระเด็นไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่คงรอดแล้ก็ดูแล้วคนเราถึงข่าวซวยทําอะไรมันก็ซวยอะ่ะแต่คนเราถึงข่าวไม่ซวยมันก็รอดแบบเฉียดตายแบบหวัดเสียวก็เจอบ่อยมี้เห็นเรื่อยจากพวกโยมมาวัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยกลับบ้านไปเราก็ต้อง ทำความดีอยู่เสมอให้ทานรักษาศีลภาวนานเนี่ยทําบ่อยๆถ้าทํำบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็เป็นกุศลสามารถเป็นที่พึ่งได้ตอนที่จะตายนะคือตายแล้วตายไปดีอ่ะถ้าทาดีบ่อยๆนะแล้วก็หมั่นพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาความตายเนี่ยเราก็ประมาทเราคิดว่าจะอยู่ในโลกนี้นานๆที่จริงโลกนี้ก็เหมือนโลกแรมแวแหละเราอยู่ได้ชั่วคราวเราก็ต้องไปแต่คนบางคนจะยึดติดคิดว่าโลกนี้เป็น อยู่กับถาวรเลยอันนี้ไม่ใช่บางคนที่ร่นจนร่ำรวยทั้งตัวเองก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรพอตอนหลังถึงรุ่นลูกอุ้นห ล, ลานร่นผ่านหมดเลยคนรวยบางทีขี้เหนียวนะไม่ใช่คนรวยสปอร์ตนะบาทีสปอร์ตก็เพื่อผลประโยชน์ตัวเองอะแหละคือคือให้ลาบต่อลาบแนะไม่ได้ให้ด้วยความจริงใจให้จริงใจจะไม่หวังไม่หวังผลตอบแทนเลยให้คนอื่นมีความสุขบางทีให้ของให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคนให้แบบใจไม่บริสุทธิ์ก็หวังว่าไอ้ที่ให้เราต้องช่วยเราภายหลังนะอะไรอย่างเงี้ย ม, มันมีอนั้นแฝงเวลาได้บุญขึ้นมาก็ได้แบบไม่เต็มที่เตํมหน่วยไงกระพองกระแพง่งให้เราช่วยใครเราช่วยด้วยความจริงใจให้ก็ให้แบบไม่หวังผลตอบแทนนะนี่ทำบุญจะได้นิสสงมากแล้วพี่นาฟ้าม์ตายนะพิจาฟ้าเรื่อยๆนะถึงค่าวตายจริงๆขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถปล่อยวางได้สามารถทิ้งทิ้งสิ่งเรายึดถือได้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกคนรักทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยพอทิ้งได้ปุ๊บเนี่ยจิตมันก็อิสระ เผอ อ, อหลุดพ้นได้ด้วยนะอันนี้ไม่แน่แล้วเราต้องหัดปล่อยวางในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันของุคนเนี่ยสามารถฝึกได้ปล่อยวางเวลาเกิดทำเงินหายขึ้นมาเราเสียใจไหมเสียดายไหมมือถือเจ๊งของที่ออลักพังถูกขโมยหรือโดนคนด่าถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยไปฝึกตอนตายยากฉนั้นชีวิตประจำวันเรามีครูสอนตลอดแหละดินฟ้าอากาศ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวยุงมากัดเดี๋ยวมดมากวนเดี๋ยวคนมาขัดใจเยอะแยะหมดอันนี้เจอทุกคนนะแต่ถ้าใครสามารถปล่อยวางชีวิตประจำวันได้มากแค่ไหนนะยิ่งมากทุ ก, ก็น้อยลงแหละแต่ถ้าใครไม่ยอมปล่อยวางทุ ก, ก็มากใครด่าอะไรก็เอาตัวกูออกรับเลยแหละเรายึดถือตัวกูมากน้อยแค่ไหนบางทีปากเราพูธรรมะเนี่ย ใจเราอาจจะไม่ได้เป็นทางปากก็ได้เพราะปากมันพูดได้หมดแหละแต่การการะทำํำจะสำคัญกว่าอเรนนื่องดูการการะทําเรื่องการปล่อยวางเราไม่ต้องไปดูคนอื่นเราต้องปล่อยวางของเราเองเราก็ต้องฝึกทุกวันแหละเรื่องปล่อยวางชีวิตประจำวันและสิ่สุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็ต้องเจริญสติเหมือนกันเจริญสติในชีวิตประจําวันแหละเผอไปกลับมารู้สึกตัวการเจริญสติมีหลายแบบนะอยู่ในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบ รรูปแบบก็คือตื่นมาเนี่ยพับผ้าหม่มเรารู้สึกตัวเก็บหมอให้เขาที่รู้สึกตัวล้างหน้าแปรงฟันดื่มน้ําขับถ่ายรู้สึกตัวได้ฟาดบ้านถูบ้านล้างจานอันนี้ทําได้หมดเลยหน้ารถเมล์รู้สึกตัวแต่ถ้าเกิดเราไม่เจริญสติเราก็ไม่รู้สึกตัวแหละเราก็อยู่อยู่โล่งความคิดปรุงแต่งความคิดสั่งให้เราทําอะไรเราก็ทําแหละชีวิตก็ตกเป็นท่าความคิด บางครั้งเราเราฝึกได้รูปแบบมั่งบางทีก่อนนอนถ้ากลับบ้านไปถ้าวางยกมือสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีสิบนาทีก็ยังดีถ้าทำํำบ่อยๆเดีย๋ยวความรู้สึกตัวก็มากขึ้นคนรู้สึกตัวกับไม่รู้สึกตัวที่ต่างกันนะเพราะคนไม่รู้สึกตัวเนี่ยเวลาพูดเวลาคิดเวลาทําอะไรเนี่ยมันจะตัดอารมณ์ได้ช้าถ้าคนรู้สึกตัวเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมามันตัดได้เร็วไงมันก็ยังเรายัางไม่หลุดพ้นไม่ใช่อรอยิยบุคคลเนี่ยแต่เราก็สามารถทําแบบนี้ได้ ถ้าเป็นพระรัญบุคคลแล้วปัญหาเรื่องรานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะเขาเป็นมหาสติสติเขามากมันตัดเราฉับพันไงเรามีสติน้อยเราก็ใช้ไปประโยชน์แล้แหละแล้วเราก็มองโลกในแง่ดีแบบหลงปู่ดีเนาะแหละอย่างทีอ่อาตมาพูดว่าสองวันก่อนน่ะว่าเกิด อ, อะไรขึ้นมาก็ดีเนาะอันนี้ก็ช่วยได้รอรถนานก็ดีเนาะใครบาด่าขัดใจก็ดีเนาะแต่ถ้าไม่ดีเนาะก ก, ก็มีปัญหานะใช้ได้ทุกสถานการณ์หนาวไปก็ดีเนาะร้อนไปก็ดีเนาะ อะไรก็ดีหมดเพราะบางครั้งเราจะใช้สติอย่างเดียวไม่ได้หรอกเราก็ต้องใช้ปัญญาด้วยแหละธรรมะสำคัญก็คือสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นถูกต้องถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็งมงายอะ่ะงมงายตรงที่ว่าวัดไหนบอกให้ทําบุญเยอะๆเราก็ไปทําเอาสวรรค์มาล่อไงอหรือบางครั้งก็เอานรกมาขู่คาสอนพุทธเจ้าจริงๆก็เน้นเรืดับทุกข์ให้เห็นทุกข์กระดับทุกข์สำคัญที่สุดเลยอันนี้บางทีเราแข่งบุญวาสนาไม่ได้นะคนนี้รวยกับเราหน้าตาดีกว่าเรา คนนี้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆเนี่ยเราแข่งไม่ได้หรอกบุญวัฒนาเราไมเหมือนกันแต่ทุกคนแข่งได้ก็คือใครจะทุกน้อยกว่ากันตรงนี้อันนี้แข่งได้หมดอย่างอื่นไม่เกี่ยวเรื่องทุกน้อยทุกมากเนี่ยอยู่อยู่ยเป็นรายการที่โกามาขอฝากไว้แค่นี้พวกญาติโยมกลับบ้านไปก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญคิดแต่สิ่งดีๆผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แล้วก็ปล่อยวางเจออะไรขึ้นมาปล่อยวางไอวังก็มีเรื่องปองอองระการชิ้นนี้